วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสธันวาคมพุทธศักราชสอง5เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขกับชีวิตของตนสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนส่งต้องการให้พุทธบริษัทได้เรียนรู้กันนั้นก็มีอยู่สิทธ์มีอยู่เจ็ด อย่างด้วยกันความรู้เจ็ดชนิดที่จะทำให้ผู้ที่รู้สามารถนำอาไปใช้ทำให้เกิดประโยชน์สุขและป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายควรจะรู้กัน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 ข้อที่หกให้รู้กาลเทศะและข้อที่เจ็ดให้รู้ประมาณนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราศึกษาและปฏิบัติกันเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และสามารถปฏิบัติได้ตามกำลังของของแต่ละคนที่จะกระทำกันถ้าปฏิบัติตามได้มากก็จะได้รับความสุขความเจริญมากก็จะกำจัดหรือป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมารบควรจิตใจไม่ให้ดึงชีวิต ให้ลงตังดัง น, นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะรู้และควรจะจดจําไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราถ้าเราจําได้การดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นก็จะดําเนินไปได้อย่างราบรื่น ดำเนินไปไนดะ้อย่างมีความสุขและความเจริญ<ม>ข้อที่หนึ่งคือให้รู้เหตุคำว่าเหตุนี้ก็หมายถึงการกระทำของเรานี่เอง<ม>ที่เป็นเหตุเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่มากระทบกับใจของเรา รู้เหตุกับรู้ผลนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ควบคู่กันไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันผลเกิดจากเหตุเหตุทำให้เกิดผลเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจของเราส่วนผลที่เกิดก็คือความสุข ความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสื่อมของใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้กันเพราะว่าเรามีการกระทําอยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับและเราก็รับผลของการกระทําของเราไปพร้อมๆกันเลย สิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นจนหลับก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดต่างๆการกระทําทั้งสามนี้เริ่มต้นจากการกระทําทางใจก่อนใจเป็นผู้สั่งเป็นผู้คิด คิดว่าจะพูดคิดว่าจะทำถึงจะพูดได้ถึงจะทำได้ร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งใจเป็นผู้สั่งกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวและผลที่เกิดจากการกระทำก็จะเกิดที่ใจเป็นหลักส่วนร่างกายนี้ ไม่ได้เป็นผู้ที่จะรับผลโดยตรงอาจจะมีผลผลเคียงข้างหรือผลพลอยได้ผลติดมาจากการกระทาของใจแต่ผู้ที่รับผลจริงๆก็คือใจผลที่ใจรับคืออะไรก็คือความสุข ใจความเจริญทางด้านจิตใจหรือความทุกข์หรือความเสื่อมทางด้านจิตใจอันนี้เป็นผลโดยหลักของการกระทําผลที่เป็นผลพลอยได้หรืออาจจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวแต่ก็อาจจะมีส่วนเช่นผลที่ได้รับทางกาย เช่นถ้าทำดีก็อาจจะได้รับรางวัลได้ความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้รับก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงที่เกิดจากเหตุคือการกระทำของใจ ผลที่เกิดจากการกระทำที่ที่เป็นของใจและได้รับทันทีก็คือความสุขความเจริญในกรณีที่ทำความดีในกรณีที่ทำความไม่ดีหรือความชั่วผลก็จะเกิดที่ใจเช่นเดียวกันคือจะใจจะทุกข์ ใจจะเสื่อมลงแต่ผลทางกายนี้อาจจะเกิดก็ได้ไม่อาจจะเกิดก็ได้ทำบาปทำผิดกฎหมายอาจจะหนีกฎหมายได้อาจจะหลุดได้ถ้ามีการกระทำเบี่ยงเบน ให้ผู้ที่มีความ ม, มีหน้าที่ตัดสินความนั้นเบี่ยงเบนไปตัดสินในทางที่ไม่ชอบก็ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นผลหลักไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากเหตุของการกระทาทางกายทางวาจาใจโดยตรงอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ คนบางคนคนสมัยนี้เลยไม่เข้าใจว่าทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อเป็นอย่างไรก็ เ, รเห็นคนที่ทำดีไม่ได้ดีไม่ได้ความเจริญในลาบยศสารเสวญสุขแล้วก็ไปเห็นคนที่ทำเชื่อกลับได้ความเจริญในทางด้านลาบยศสารเสวนสุข จึงทำให้มีความลังเลสงสัยในเรื่องของคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำดีละชั่วทำดีได้ ด, ไ ด, ดีได้ความสุขได้ความเจริญของจิตใจทาชั่วจะได้รับความทุกข์ความเสื่อมเสียของจิตใจนั่นก็เป็นเพราะว่า เราไม่ได้ไปมองผู้ที่ไปรับผลคือใจของเราเองเราไปรอดูผลที่จะเกิดทางร่างกายทางราบยศสารเสริญสุขกันก็เลยเกิดความผิดหวังได้ทำดีถ้าเป็นแทบตายกับไม่ได้ความเจริญทางราบยศสารเสริญความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดเลยแต่คนที่ทำชั่ว กลับได้ดีได้ดีกันนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันผลที่พระเจ้าต้องการให้เรามองได้เป็นผลที่สำคัญกว่าผลที่จะได้รับทางกายทางลาบยศสารเสริญสุขคือผลที่จะเกิดขึ้นที่ใจของผู้กระทาของเหล่านี้แหละผลที่ได้ทางกายทางลาบยศสารเสริญสุขนี้ มันเป็นผลชั่วคราวท่านั้นเองไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมหมดไป mm hmm. เวลาที่ร่างกายตายไป mm hmm. ผลที่ได้จากลาบยศสารสนุกนี้ mm hmm. ก็สิ้นสุดลงแต่ผลที่เกิดแก่ใจนี้มันไม่สิ้นสุดลงหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว mm hmm. ผลที่เกิดที่ใจนี้ ยังมีผลต่อไปเพราะใจผู้ที่กระทาและผู้ที่รับผลนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย น, นั่นเองผลทางใจจึงสำคัญกว่าเพราะยังจะส่งความสุขส่งความทุกข์ให้กับใจต่อไปเป็นเวลาอันยาวนานที่พูดว่าผลที่เกิดจากใจเช่นการทำความดี แล้วจะทำให้เกิดความสุขความเจริญก็คือความสุขใจเช่นเวลาเราทำคุณทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งได้เสียสละประโยชน์สุขของเราให้กับผู้อื่นเช่นเวลาเราทำบุญทำทานเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้รับใช้สังคมอย่างใดอย่างหนึง่ง เวลาเราทำแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจอันนั้นแหละคือผลที่เกิดจากการกระทำความดีที่ให้รู้ผลก็ให้รู้ผลตัวนี้เวลาเราทำความดีนี่ผลมันเกิดขึ้นที่ใจเราทันทีมันไม่ได้ไปเกิดที่ราบยศสารสนุขซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดบางครั้งก็อาจจะไม่เกิด ถ้าเขารู้เราทำความดีเขาก็อาจจ ะ, ะให้เราได้ราบยศสรรเสริญสุขก็ได้แต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าเราทำความดีเขาก็ไม่รู้จะให้ราบยศสรเสริญสุขกับเราได้อย่างไรนั่นเองดังนั้นการรู้ผลนี้ขอให้เรารู้ผลที่ใจดูเหตุคือการกระทาก็คือใจใจเป็นผู้กระทำ โดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ <_ d ance> เครื่องมือนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลโดยตรงอาจจะได้รับผลหรืออาจจะไม่ได้รับผลก็ได้ <_ d ance> เหมือนกับเวลาที่คนเราใช้อาวุธไปทาร้ายผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นผู้ที่จะต้องรับผลจากการฆ่าไม่ใช่อาวุธถ้าไม่เอาเอาอาวุธปืนไปติดคุกติดตาราง แต่เขาจะจับคนที่ใช้อาวุธปืนที่ไปทำให้เกิดการเสียชีวิตนั้นไปรับผลฉันใดก็ฉันนั้นร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจผู้ที่ทำความดีทำความเชื่อนี้คือใจแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่รับผลของความดีและความเชื่อของใจของตนที่ได้ทำเอาไว้ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันก็ในที่สุดมันก็ต้องถึงแก่ความตายไปหรือถ้าถูกจับลงโทษก็อาจจะถูกประหารชีวิตหรือถูกจับกักขังไว้ไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่นต่อไปก็เหมือนกับอาวุธปืนที่ใช้ในการฆ่าผู้อนก็อาจจะต้องทำลายอาวุธปืนนั้นหรือเอาไปเก็บอาวุธปืนนั้นไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างโทษสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นแต่ผู้ที่รับผู้ที่เป็นผู้กระทําก็คือคนที่ใช้ปืนใช้อาวุธปืนนั้นฉันใด้ร่างกายกับใจก็เป็นอย่างนั้นร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลของการกระทํำของใจโดยตรงอาจจะรับผลพลอยได้เพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น เมื่อเอาร่างกายไปทําร้ายผู้อื่นเขาก็ต้องจับร่างกายไปลงโทษหรือเอาไปกักขังถ้าเขาจับได้แต่เขาไม่เห็นผู้กระทําที่ผู้สั่งการคือใจเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายกเราไม่สามารถมองเห็นใจของผู้อื่นหรือใจของพวกเราได้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาของร่างกายนั่นเองตาของร่างกายมองได้แต่สิ่งที่ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแต่ตาของร่างกายนี้ไม่สามารถมองเห็นใจคือธาตุรู้ได้ผู้ที่จะเห็นใจเห็นธาตุรู้ได้นี้ต้องเป็นใจเอง ต้องเป็นธาตุรู้เองเห็นธาตุรู้และวิธีที่พูดผู้ผู้คือธาตุรู้จะเห็นธาตุรู้ได้ก็ต้องใช้วิธีการภาวนานี้เท่านั้นเอง mm hmm. ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ใช้กัน mm hmm. พอท่านได้ภาวนาท่านก็สามารถที่จะ เปิดตาในเปิดตาของใจให้มองเห็นใจได้ตอนนี้ถ้าไม่ได้ภาวนานี้ตาของใจจะถูกปิดเอาไว้เพราะว่าจะใช้ตาของร่างกายแทนใช้ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสผดขปพะชนิดต่างๆตาในเลยไม่ได้ใช้ตาในก็เลยเหมือนถูกปิดเอาไว้ก็เลยไม่เห็น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในในใจภายในธาตุรู้นี้ mm hmm. จะรู้จะเห็นธาตุรู้เห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในธาตุรู้ได้นี้ก็จาเป็นจะต้องมีการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เพื mm hmm. ่อที่จะปิดปิดตาของร่างกายพอปิดตาของร่างกายก็จะได้เปิดตาในได้ mm hmm. พราเปิดตาในก็จะเห็นสุขทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของใจได้อย่างชัดเจนเห็นความเจริญเห็นความเสื่อมเห็นความเสื่อมของจิตใจได้อย่างชัดเจนผู้ที่ภาวนาได้ได้ผลนี้จะไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าใครเป็นผู้กระทำ และกครเป็นผู้รับผลของกรรมไม่สงสัยว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรความเจริญของใจเป็นอย่างไรเพราะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจได้ที่เกิดจากการกระทําของใจเองโดยใช้ร่างกายและวาจาเป็นเครื่องมือนี่ถ้าเราอยากจะ เห็นเรื่องเหตุเรื่องผลรู้เห็นรู้เรื่องเหตุเรื่องผลได้อย่างชัดเจนเราต้องภาวนากันเราต้องฝึกสติทําใจให้สงบให้ได้เมื่อใจสงบแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวหรือตัดการตัดการรับรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายทางทางร่างกายไว้ชั่วคราว แล้วตอนนั้นใจก็จะเห็นใจปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษากันทําความรู้กันเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะภาวนาเพื่อทําให้เราเห็นใจของเราได้เห็นใจของเราผู้กระทําดีทําชั่วและเห็นใจของเราผู้ที่รับผลดีผลชั่ว เราในเบื้องต้นก็ต้องใช้ศรัทธาความเชื่อในผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพาระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยให้เราเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในเหตุเชื่อในผลที่พระเจ้าทรงสอนนี่เองทรงสอนว่าถ้าเราทำความดี ใจิตใจของเราจะสุขจะเจริญขึ้นตามลำดับถ้าเราทำบาปทาความชั่วใจิตใจของเราก็จะตกต่าถ้าเราทำตามความโลภความโกรธความหลงใจิตใจของเราก็จะทุกข์ใจิตใจของเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลง นี่คือเหตุการกระทำสามชนิดด้วยกันที่เป็นที่มีผลต่อของจิตใจของพวกเราทำบุญก็ทำความดีก็จะส่งผลดีให้กับจิตใจทำให้จิตใจมีความสุขทำให้จิตใจมีความเจริญถ้าทำบาปทำความชั่วก็จะทำให้จิตใจมีความทุกข์ ทำให้จิตใจตกต่ำเสื่อมลงถ้าทำถ้าทำด้วยความโลภความโกรธความหลงก็จะทำให้จิตใจยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงอันนี้คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้กับพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมทั้งหลายให้นำเอาไปศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติให้ได้ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเห็นตัวใจได้ก็ให้เชื่อไว้ก่อนเ<ม>ชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นของจริงที่เกี่ยวข้องกับใจของเรา โดยตรงอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ต้องการให้ใจเรามีความทุกข์เราก็ต้องละการกระทำความชั่วละการกระทำบาปต่างๆถ้าเราต้องการให้ใจของเรามีความสุขมีความเจริญเราก็ต้องทำความดีต่างๆถ้าเราต้องการให้ใจของเรา ยุติการเวียนว่ายตายเกิดในใจพบเราก็ต้องละความโลภความโกรธความหลงอย่าไปทำอะไรด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงเพราะการกระทำด้วยความโลภความโกรธความหลงนี้จะพาให้ใจนี้จะต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะเวลาโลภอยากได้อะไร ก็จะติดใจ<ม>ก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆแต่สิ่งต่างๆที่เราอยากได้และเครื่องมือคือร่างกายที่เราใช้ในการหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเรามันก็เป็นของชั่วคราว<ม>เราได้อะไรมาได้สักพักหนึ่งมันก็หมดความหมายไปเราก็อยากได้อะไรใหม่ๆมาเพิ่ ม, มอยู่เรื่อยๆ แต่ร่างกายที่เราใช้ในการหาสิ่งต่างๆตามความอยากของเรานี้มันเป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอมันตายไปใจที่ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยากความโลภต่างๆก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไป แล้วเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ที่ตามมาจากการเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักการประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเป็นต้นนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายวาจาใจของเรานี่คือความหมายของ การที่จะสอนให้เรารู้เหตุรู้ผลถ้าเรายังไม่เห็นกับตาของเราไม่เห็นใจเพราะเรายังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้ปฏิบัติหรือพระภาวนาแล้วปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ได้ผลเราก็ยังอาจจะไม่เห็นใจผู้กระทา บุญหรือทำบาปหรือผู้โลภผู้โกรธผู้หลงแต่ต่อไปถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นเองแต่ในเบื้องต้นนี้ขอให้เชื่อผู้ที่เห็นแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอานนท์ตถาวกทั้งหลายที่เห็นเรื่องของการกระทำของใจและผลที่จะตามมา พระพุทธเจ้าทุกๆพกงค์จึงทรงสั่งสอนให้เรากระทำความดีให้เราละการกระทำความชั่วแล้วเราให้เรามาชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจให้ได้เพราะการกระทำสามประการนี้จะทำให้ใจนั้นได้จเจริญ ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหันตสาวกขั้นของพระพุทธเจ้าและจะทำให้ใจนี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ต่อไปอันนี้คือการรู้เหตุและรู้ผลรู้ว่าการกระทาของเราทุกวันนี้มันมีผลเกิดขึ้นแก่ใจของเราทำดีก็จะทำให้ใจเรามีความสุข แล้วทำให้ใจเราสูงขึ้นใจของเรานี้มีหลายระดับตอนนี้ใจของเราอยู่ในระดับของมนุษย์แต่ถ้าเราทำความดีทำบุญทำกุศลมันก็จะยกระดับสูงขึ้นไปเป็นขั้นเทพแล้วถ้าเราทาระดับที่สูงกว่าขั้นเทพคือถ้าเราภาวนากันทำใจให้สงบเพื่อเราจะได้พิสูจน์ บทแห่งกรรมเพื่อที่เราจะได้เห็นตัวรู้ตัวที่กระทําทําบุญทำบาปเพื่อที่เราจะได้เห็นใจที่มีความโลภความโกรธความหลงผักดันอยู่ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราได้ทําบุญขั้นระดับภาวนาใจของเราก็จะเจริญสูงขึ้นไปจากระดับเทพไปสู่ระดับพรหม แล้วถ้าเราศึกษาดูสภาวธรรมความเป็นจริงดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวการกระทําของความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่คอยดึงใจให้ไปติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะยกระดับใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับ โลกุตรธรรมธรรมที่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสะของโลกุตรธรรมแล้วนี้จะถูกกระแสะของโลกุตรธรรมนี้ดึงดูดให้ออกไกลออกไปจากการดึงดูดของของโลกของตายภพไปจนในที่สุดก็จะตัดกระแสะของ ความดึงดูดของโลกของตายพบที่มีอยู่กับใจให้หมดสึ้นไปได้ทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำความดีต่างๆตั้งแต่การทำบุญทำทานแล้วก็การภาวนาเพื่อทำใจให้สงบให้ได้สมาธิ แล้วพอได้สมาธิปฏิบัติสมาธิจนชำนาญก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาพิจารณาให้เห็นสภาวะของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่ควรไปยึดไปติดไม่ควรไปอยากได้อยากมีเพราะถ้าไปได้มาแล้วจะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา และขนาดที่ยังไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจเวลาอยากได้อะไรแล้วยังไม่ได้นี้ก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นความทุกข์เป็นความไม่สงบของใจถ้าตัดความโลภความอยากต่างๆได้ใจก็จะไม่กวนกวยไม่กระสับกระส่ายไม่เกิดความทุกข์เกิดความเสียใจไม่เกิดความเศร เศร้ามองไม่เกิดอาการซึมเศร้าต่างๆพอใจออยู่ในความสงบนั่นเองถ้าใจอยู่ในความสงบใจจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนี่คือผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทําทําบุญและชําระจิตใจให้สะอาดบรยสุด ด้วยการภาวนาส่วนในทางตรงกันข้ามการทาบาปนี้ก็จะดึงให้ใจลงต่าแล้วก็ทำให้ใจทุกข์เราสังเกตดูสิเวลาที่เราทาบาปแต่ละครั้งนี้ใจเรารู้สึกอย่างไรใจเราสุขหรือใจเราทุกข์กันนะ่อาจจะสุขในเบื้องต้นเวลาเราทาบาปเช่นเวลาเราอยากขโมยของ พอเราได้ขโมยเราก็มีความสุขที่มีความดูใจแต่ความสุขความดีใจนั้นมันก็ตามมากับความวิตกกังวลใจกับความหวาดกลัวเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาพราเมื่อทำบาปแล้วทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็จาเป็นที่จะต้องคอยหลบคอยซ่อนเพราะกลัวจะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษนั่นเองอ หรือถ้ากระทำสิ่งที่ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เป็นผิดกติกาของสังคมมันก็ทำให้ใจเราไม่ค่อยสบายเช่นเราไปโกหกใครอย่างนี้พวกมันก็จะทำให้เรากังวลว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าเราเป็นคนโกหกแล้วเขาอาจจะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราก็ได้เราอาจจะไม่เชื่อถือเราก็ได้อันนี้มันก็สร้างความทุกข์ให้กับ ผู้กระทาทันทีแล้วการกระทำบาปนี้มันก็มีผลต่อความเสื่อมของจิตใจจิตใจแทนที่จะอยู่เป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถอยู่เป็นมนุษย์ได้<ม>ก็จะถูกความกระทาบาปนี้ดึงใจให้เสื่อมลงจากมนุษย์ให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้าง<ม>เป็นเปรตบ้าง<ม>เป็นอสูรกายบ้าง<ม>ไปนรกบ้าง ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทําบาวว่าทําด้วยเหตุผลอันใดทาด้วยความหนุงความไม่รู้ก็ไปเป็นเดระฉานทําด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทําด้วยความกลัวก็ไปเป็นน ส, สุรกายทาด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดก็จะไปนรกอันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีใครมาเป็นผู้มาพิพากษาไม่ต้องมีใครมาจับไปลงโทษกฎแห่งกรรมนี้จะทำโทษโดยอัตโนมัติถ้าทำบาปแล้วก็เหมือนจุดไฟเผาใจใจก็จะร้อนขึ้นมาถ้าทำบุญแล้วก็เหมือนปล่อยเครื่องทำความเย็นให้กับใจใจก็จะเย็นขึ้นมา นี่คือเรื่องของการรู้สิ่งสองข้อแรกที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนรู้กันเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าการกระทําของเรานี้เป็นผู้กำหนดผลผลต่างๆคือความสุขเจริญของใจหรือความทุกข์ความเสื่อมเสียของใจหรือการเวียนว่ายตายเกิดของใจเกิดจากการกระทําของเรา เราก็จะได้ป้องกันได้ป้องกันให้สิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดถ้าเราไม่ต้องการให้ใจเราทุกข์ไม่ต้องการให้ใจเราลงต่ังเราก็อย่าไปกระทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดอย่าดื่มของมึนเมาหรืออบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนัน การเที่ยวเตะความเกียดคร้านและการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ละเว้นได้เพราะว่าไม่มีใครมาบังคับให้เราทํำสิ่งเหล่านี้มีแต่มีแต่ชักชวนให้เราละกันอย่าทำกันเพียงแต่ว่าที่เราทํากันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า เราไม่เชื่อหรือไม่รู้ถึงผลที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักใจของเรานั่นเองคนส่วนใหญ่นี้จะไม่รู้ว่าใจเป็นอะไรคนส่วนใหญ่จะคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันใจอยู่กับร่างกายมากับร่างกายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปผู้รับผลใครจะไป ไปสวรรค์ใครจะไปอบายมองไม่เห็นก็เลยทำให้ไม่มีความเชื่อไม่มีความกลัวบาปกันเพราะคิดว่าอย่างมากก็แค่ตายทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายนี้ขอให้มีความสุขก่อนถึงแม้ความสุขนี้จะเกิดจากการทำบาปก็ตามก็ต้องทำเพราะว่าอยู่เฉยๆไม่มีความสุขกัน ก็ต้องไปทําบาปกันพอทําบาปแล้วก็ต้องรับผลของบาปที่ตนเองมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบาปและการไปรับผลบาปนี้อยู่ในรูปแบบลักษณะไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีพบมีอบายไม่รู้ว่าสัตว์เดรัจฉานนี้ที่มาของเขามาจากอะไร ก็มาจากการไปทําบาสนี่สัตว์เดรัจฉานต่างๆนี่ที่ไปเป็นเดรัจฉานขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็ไปเป็นเดรัจฉานขึ้นมาแต่เขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนในอดีตชาติแล้วพอเขานึกอยากจะทําอะไรเพื่อให้เขามีความสุขเขาก็ทําไปโดยไม่เกรงกลัวกฎแห่งกรรมไม่เกรงกลัวบาปเพราะเขาไม่เชื่อไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของกฎแห่งกรรม ไม่รู้ว่าใจของเขาผู้กระทำนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเขาก็เลยทำกันอย่างสบายขอให้ได้สิ่งที่เขาอยากได้ก็แล้วกันอันนี้จึงพาให้เขาต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมกันแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายต่อไปถ้าได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ทุกข์ด้วยความหิวโหวยเรียกว่าเปรตทุกข์ด้วยความหวาดกลัวเรียกว่าอสุรกายทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านรกอันนี้ก็เป็นผลการที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวอันนี้ก็เกเท่ากับการเรียนรู้ผลของการกระทา นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเพราะทุกวันนี้เรามีการกระทาอยู่ทุกวันทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำไม่ดีไม่ชั่วบ้างทำตามความโลภทำตามความโกรธทำตามความหลงบ้างการกระทาเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นเหตุให้รู้ว่านี่คือเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เราสามารถควบคุม ให้เราทําแต่เหตุที่ดีได้แล้วก็ละการกระทําที่ไม่ดีได้และละการกระทําตามความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าเรารู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้ได้รู้ว่าเวลาเราทําดีแล้วเราจะได้อะไรเวลาเราทําบาปแล้วเราจะได้อะไรเวลาเราทําด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วเราจะได้อะไร แล้วเราก็จะได้เลือกทำได้ถ้าทำด้วยความโลภความโกรธความโง่แล้วจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆในโลกนี้อย่างที่เรากำลังเจอกันในขณะนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าเรายังไม่ยุติการกระทา ตามความโลภตามความโกรธตามความหลงของเราแล้วถ้าเราทำบาปบาปมันก็จะดึงให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ต่ำภพภูมิของอบายแต่ถ้าเราทำบุญเราก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่สูงภพภูมิของสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าเราจะสามารถยุติการกระทำด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลง ให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอเราทำเราระ ง, งับการกระทาด้วยความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วการที่เราจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็จะสิ้นสุดลงใจของผู้ที่ไม่จะไปเวียนว่ายตายเกิดนี้เราก็เรียกว่ า, านิพพานเป็นใจที่สะอาดบริสุทธ เป็นใจที่ไม่มีความโรคความโกรธความหลงอยู่ภายในใจไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจดวงนี้ให้ไปเกิดได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลในพระพุทธศาสนาให้เราศึกษาแล้วให้พยายามกระทำไปแล้วถ้าเราทำขั้นสูงได้คือขั้นภาวนาได้ เราก็จะเริ่มเห็นเราก็จะเริ่มเห็นความจริงของใจกับร่างกายว่าเป็นคนละสั์คนละส่วนกันเราจะเห็นว่าใจนี้แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำแล้วใจนี้แหละเป็นผู้ที่รับผลใจผู้ที่จะไปรับผลบุญเมื่อผลบาปหรือการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากการกระทำความโลภความโกรธความหลงของใจนี่ เมื่อเราได้ปฏิบัติทมขั้นสูงขึ้ไปแล้วเราจะเห็นอย่างชัดเจนความจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วมันก็จะทำให้เรานี้กระทำในสิ่งที่ควรจะกระทำทำแต่บุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นจะส่งผลที่ดีที่ประเสริฐให้กับจิตใจของเรานั่นเอง จิตใจของเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะว่าใจจะไม่มีวันที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือความรู้สิ่งที่ควรจะรู้สองข้อแรกคือรู้เหตุและรู้ผลข้อที่สามสิ่งที่เราควรรู้ก็คือ รู้ตนคําว่ารู้ตนก็คือให้เรารู้ตัวเราเองตัวเรานี้มีความแตกต่างจากผู้อพอเราทุกคนเกิดมานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันเราต้องรู้สถานภาพของเราฐานะของเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เราเป็นเอเราเป็นผู้ เป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกน้องเวลาเราไปทำงานนี้มันก็จะมีแบ่งแบ่งชั้นกันคนนี้เป็นหัวหน้าคนนี้เป็นลูกน้องคนที่เป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งคนที่เป็นลูกน้องก็มีหน้าที่อย่างนึงเราต้องรู้หน้าที่ของแต่ละหน้าที่ของเราแต่ละฐานะของเราถ้าเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราก็ต้องรู้หน้าที่ของสามีของภรรยา ถ้าเราเป็นบิดามารดาหรือเราเป็นบุตรธิดาเราก็ต้องรู้หน้าที่รู้การกระทําของเราว่าเราควรจะทําต่อหน้าที่นี้อย่างไรเพราะว่าการกระทําหน้าที่ของตนนี้จะทําให้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวไม่มีความทุกข์ต่างๆตามมาแต่ถ้าเราไม่ทําตามหน้าที่ของเราก็จะเกิดปัญหาได้ เช่นถ้าเราเป็นพระีแล้วเราไปทำตัวเป็นเหมือนโยมโยมไปช้อปปิง้งตามศูนย์การค้าต่างๆก็ไปช้อปปิง้งโยมไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็ไปเที่ยวอันนี้ก็จะเกิดปัญหาได้เพราะสังคมเขาจะไม่ยอมรับการกระทาที่ไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระต้องไปอยู่ที่เปียวที่วิเวกที่สงบที่สงัด ต้องมีอาการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่สายแสหารูปเสียงกลิ่นรสผดถ้าพะต่างๆมาเสษถ้าทำตัวทำหน้าที่แบบของพระไม่ได้เขาก็จะเชิญให้ไปกลับไปเป็นคารวะให้ไปเ ป, เป็นผู้ของเลือนนั้นเราต้องดูตัวเราเองว่าเรามีสถานภาพอะไรบ้าง เว่าสถานภาพของเราก็เปลี่ยนไปตามกับบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเราก็เลยต้องมารูข้อที่สี่คือรู้บุคคลเพราะเรานี่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายชนิดด้วยกันหลายรูปแบบด้วยกันบางคนเขาก็เป็นผู้ที่สูงกว่าเราบางคนเขาก็เท่าเราบางคนเขาก็ต่ำกว่าเรา วิธีเราปฏิบัติกับบุคคล ต, ต่างๆก็ไม่เหมือนกันเช่นกับพ่อแม่ของเราเราก็ต้องให้ความเคารพนับถือยกย่องให้มีความกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่หรือของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราให้วิชาความรู้กับเราเพื่อที่เราจะได้เอาวิชาความรู้นี้ไปดำรงชีพ ไปทาหากินท่านมีพระคุณกับเราเราก็ต้องมีความสำนึกในบุญคุณของท่านถ้าเรามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณให้กับท่านได้ก็ไม่ควรที่จะละเลยอันนี้คือต้องรู้บุคคลด้วยรู้ตัวเราแล้วเราก็ต้องรู้คนอื่นด้วยว่าสถานภาพของเขากับเรานี่เป็นอย่างไรเขาเป็นอะไรกับเราเราเป็นอะไรกับเขา เราเป็นลูกศิษย์เขาเขาเป็นอาจารย์เราอย่างนี้เราเป็นหัวหน้าเขาเขาเป็นลูกน้องเรามีการกระทาที่ไม่เหมือนกันต่อกันละกันผู้ที่อ่อนกว่าก็ต้องให้ความนอบน้อมให้ความเคารพต่อผู้ที่สูงกว่าผู้ที่สูงกว่าก็ต้องให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาต่อผู้ที่อ่อนกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการรู้บุคคล ถ้าเราไม่รู้บุคคลเราก็อาจจะกระทำสิ่งที่เสียหายได้เช่นไม่รู้ไม่รู้พ่อแม่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งแล้วเวลาเกิดโทสะขึ้นมาอาจจะไปทำร้ายพ่อแม่อาจจะไปพูดจาหยาบคายต่อพ่อแม่ขึ้นมา อันนี้มันก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรใครเห็นแล้วก็จะรังเกียจจะตำหนิได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นเป็นเป้าของผู้อื่นให้เขามาตำหนิติเตียนมาดูถูกดูแคลนเราหรือบางครั้งอาจจะต้องจับเราไปลงโทษก็ได้เราก็ต้องรู้จักการกระทารู้จักการปฏิบัติกับผู้บุคคลต่างๆ การจะปฏิบัติกับบุคคลต่างๆได้อย่างถูกต้องก็ต้องรู้ว่าบุคคลแต่ละบุคคลนั้นเขามีสถานภาพอะไรเขาสูงเขาต่ำกว่าเราเขาเท่าเรามีวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันละกันไม่เหมือนกันถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวไปทำผิดมันก็จะทำให้เกิดเรื่องเสียหายตามมาได้ อันนี้ก็คือเรื่องของการรู้บุคคลแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ข้อต่อมาก็คือข้อที่ห้าคือให้รู้สังคมคือเราทุกคนเราอยู่ในสังคมและในแต่ละสังคมนี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามต่างกันไปมีกฎมีระเบียบมีการปฏิบัติที่สังคมยอมรับได้และรับไม่ได้ เราก็ต้องเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่สังคมของเรารับได้รับไม่ได้เราอย่าไปเอาสังคมอีกสังคมมาใช้กับสังคมนี้เพราะแต่ละสังคมนี้เขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เขารับได้ในสังคมของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในสังคมของเราก็ได้เป็นสังคมของต่างประเทศของฝรั่ง เขาก็อาจจะถือว่าการจับเนื้อต้องทัวระหว่างหญิงชายกันการกระทำแสดงความรักในที่สาธารณะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในทางสังคมของไทยของพุทธเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทำกันเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำในที่มิชชิดไม่ใช่เอามากระทำต่อหน้ากันในที่สาธารณะอันนี้เราก็ต้องรู้ขนบธรรมเนียม เวลาที่เราพบปะกันเราก็มีวิธีแสดงความพบความเความเคารพลดความยินดีต่อกันของสังคมเราก็มีการยกมือไหว้สังคมอื่นเช่นของญี่ปุ่นเขาก็ก้มศีรษะกันก้มลดสังคมฝรั่งเขาก็จับมือกันกอดกันซึ่งแต่ละสังคมนี้ก็เป็นสิ่งที่กาทําไม่เหมือนกัน ถ้าเราเอาสังคมของสังคมอื่นมาใช้กับสังคมนี้มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เวลาที่เราไปอยู่ในสังคมอื่นเราก็ต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมอื่นเพื่อที่เราจะได้กระทาสิ่งที่ถูกต้องตามกฎตามประเพณีของสังคมนั้นที่เราเข้าไปอยู่ด้วยเหมือนในคําพูดว่า ถ้าอยู่ในกรุงโรมก็ต้องทำตามชาวโรมเขาชาวโรมเขาทำอย่างไรเราก็ต้องทำตามเขาเราจะได้ไม่เป็นที่อปกและอาจจะเป็นที่รังเกียจก็ได้อันนี้คือการรู้สังคมสังคมนี้มันมีสังคมใหญ่สังคมเล็กสังคมกลาง เ, าเมื่อกี้พูดถึงสังคมใหญ่คือประเทศแต่ในประเทศเราก็มีสังคมหลายสังคมด้วยกัน แต่แต่ละสังคมก็อาจจะมีขนมรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกันสังคมในบ้านสังคมเวลาเรามาวัดนี้ก็มีสังคมของวัดสังคมของอะไรต่างๆสังคมที่ทำงานก็มีสังคมมีประเพณีมีกฎมีระเบียบที่เราต้องศึกษากันต้องเรียนรู้กันถ้าเราไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่นเราก็ต้องไปศึกษา ว่าแต่ละสังคมนี้เขามีกฎระเบียบมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอย่างไรนี่คือการรู้สังคมเพราะเราทุกคนเป็นมนุษย์สังคมเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องเข้าสังคมเวลาที่เราเข้าสังคมเราก็ต้องรู้กฎกติกากฎระเบียบของสังคมเพราะกฎกติการะเบียบขนบธรรมเนียมนี้มีไว้เพื่อความสงบสุขของผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นเอง ตามที่ก็มีกฎมีระเบียบต่างๆนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่จะทั้งสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นนั้นก็เลยต้องมีกฎมีระเบียบมีข้อห้ามต่างๆอันนี้เราก็ต้องศึกษากันเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำอะไรให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นโทษกับเราเองเพราะเราก็จะถูกแยกตัวออกจากสังคมนั้น เช่นถ้าเราไปทำอะไรที่สังคมเขาอยอมรับไม่ได้เขาก็ต้องเชิญเราออกไปไม่ไม่ตอนรับเราอันนี้คือการรู้สังคมข้อที่หกสิ่งที่เราควรรู้ก็คือการละเทศะการรู้การละเทศะก็คือรู้รู้สถานที่และเวลาที่เราไปในแต่ละสถานที่ในแต่ละสถานที่เขาก็มีการกระทำที่ ต่างกันไปเช่นเวลาเราไปงานศพนี่ก็เป็นสถานที่ที่ต้องการความอความสำรวมความแสดงอาการเสียใจไม่ใช่ไปเหมือนกับไปเราเราไปสถานที่งานแต่งงานงานแต่งงานนี่เป็นสถานที่ที่เราต้องไปแสดงความยินดีแสดงความสุขไม่ใช่สลับกันไปงานศพแต่งตัวเหมือนกับไปงานแต่งงาน ไงานแต่งงานเหมือนกับไปงานไปงานศพอย่างนี้เขาก็จะเชิญเราออกจากจากงานนั่นไปบอกเข้ามาไม่ได้มาผิดงานอันนี้เป็นงานศพไม่ใช่งานแต่งงานนใบงานแต่งงานแต่ไปใส่ชุดงานศพถือถือพวงหรีดเขาเข้ามาผิดงานหรือเปล่าอันี่คือการรู้การลเทศะ ทำอะไรเราต้องศึกษาถ้าเราไม่รู้ว่างานที่เราไปสถานที่เราไปนั้นเขามีกฎระเบียบอย่างไรวิธีการกระทํำตัวอย่างไรเราก็ต้องถามผู้ที่เขารู้ก่อน mm. แล้วเราค่อยไปการแต่งกายก็มันก็บอกบอกว่าเรารู้กาละเทศะหรือไม่การแต่งกายแต่ละสถานที่ที่เราไปนี้มันก็มีไม่เหมือนกันแล้วการสแสดงกิริยาการก็ไม่เหมือนกัน บางแห่งก็ต้อง ส, บสงบเสงียมสัมรวมบางแห่งก็ต้องมีอาการแสดงมีการคืดเคงืงรุ่นเริงมีหัวลาะ อ, อะไรกันเพื่อให้เป็นรถเป็นชาติต่อต่องานนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพราะเรายังต้องเข้าสังคมเรายังต้องไปเกี่ยวข้องกับงานต่างๆอยู่พระพุทธเาจ้าถึงสอนว่าให้เรารู้จักการลาเทศะ เช่เวลาเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องอยู่ในอาการแบบไหนเราก็ต้องนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันไม่สนทนาทางโทรศัพท์อะไรต่างๆเพราะว่ออาสถานที่ฟังธรรมนี้ต้องการความสงบต้องการความเงียบหรือต้องการความไม่มีอะไรมารบกวนต้องการให้มีสมาธิในการฟังเพื่อจะได้เกิดผลเกิดประโยชน์จากการฟังนั่นเอง นี่คือเรื่องของการรู้กาลเทศะข้อสุดท้ายก็เรื่องของการรู้ประมาณมการรู้ประมาณนี้ก็คือการรู้ความพอดีโดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่การบริโภคปัจจัยสีน่นี้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี้ก็ต้องรู้จักประมาณรู้ รู้จักประมาณความพอดีว่ามากเท่าไหร่นี้มากน้อยเพียงไรถึงจะเหมาะกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่ดี <c oughs> กินเกินฐานะเราก็ไม่ไหวเรามีฐานะที่เงินไม่มากแต่เราไปกินของที่มันแพงแพงเกินกว่าฐานะของเราเนี่มันก็จะทําให้เกิดมีปัญหาได้ เพราะจะทําให้มีมีเงินไม่พอใช้ถ้าเราใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเกินฐานะของเราไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้แล้วเราก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วต่อไปก็อาจจะต้องไปใช้หนี้ด้วยการไปกระทําบาปไปช่อโกงบ้างไปลักทรัพย์บ้างไปหลอกลวงบ้างลืม ถ้าทำวิธีอื่นก็อาจจะไปไปชี้ไปป้นตามธนาคารตามร้านทองแล้วก็อาจจะมีการต่อสู้กันมีอาจจะเกิดความเสียหายหเกิดการฆ่าฟันกันทั้งเขาและเราเกิดขึ้นตามมานี่คือผลที่เกิดจากการไม่รู้จักประมาณในการบริโภควิธีบริโภคที่จะปลอดภัยที่สุดก็ต้องบริโภคตามหลักที่พระเจ้าทรงสอน คือใช้ใช้หลักมักน้อยสันโดษกินน้อยน้อยใช้น้อยน้อยเอาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วก็เอาของถูกถูกก็ได้ไม่ต้องของแพงแพงไม่ต้องของหรูหราเมว่ามันทำหน้าที่ได้เหมือนกันปัจจัยสี่ที่หรูหรากับใจสี่ที่เรียบง่ายมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันถ้าอยากจะรู้ว่าความมักน้อยสันโดษเป็นยังไงก็ศึกษาวิธีของพระพุทธเจ้าดู ว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างไรกับความนักน้อยสันโดษอาหารท่านก็อาศัยการบินธบาสเครื่องนุ่งหม่มเกจีวรสมัยนั้นท่านก็ไปหาผ้าที่เขาทิ้งกันไว้ในป่าชาผ้าหอ่อศพเพราะเป็นพระเป็นนักบวชนี้ไม่มีเงินทองไม่ไม่มีเวลาไปหาเงินทอง<ๆ>เพื่อที่จะเอาเงินทองมาซื้อปัจจัยสี่<ๆ>นักบวชนี้ไม่ต้องการเสียเวลาให้กับการ ไปทํางานหาเงินหาทองต้องการยาเวลามาหาธรรมมาปฏิบัติมาหาการหลุดพ้นท่านก็เลยไม่ไม่ไปทํางานหาเงินหาทองอย่างนั้นการหากินอยู่ของท่านท่านก็เลยต้องกินอยู่แบบขอทานเ น, นี่ยมักน้อยสันโดษก็แบบขอทานยินดีตามมีตามเกิดบินตบาบ่าได้อะไรมาก็เอามากินไปกินเพื่อดับความหิวไม่ได้หวังเพื่อจะให้เกิดความสุขสนานเฮฮา จากการรับประทา น, นกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเสื้อผ้าคือเครื่องนุ่งห่มก็จีวร น, นี่ก็ไปอาศัยผ้าห่อศพนี่ที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าศพที่แห้งแล้วกล า, ายเป็นกระดูกเหลือแต่โครงกระดูกแล้วผ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาม า, มาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมให้เป็นจีวรขึ้นมาเนี่ ย, ยแล้วก็ ที่อยู่อาศัยทั้งก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้มีอะไรมีเพลิงทําด้วยกิ่งไม้ใบไม้ก็ทําไปตามมีตามเกิดยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาดองน้ํามูดยาดองปัสสาวะน้ําน้าปัสสาวะนี่ก็เป็นยาที่เอามาดองกับผลไม้ได้ดองแล้วมันก็จะเกิดปฏิยาทําให้น้ําปัสสาวะนั้นกลายเป็นน้ํายาขึ้นมา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถเอามาดื่มรับประทานรักษาโรคภายได้นี่คือหลักของการบริโภคปัจจัยสี่ที่รู้จักประมาณที่ถูกต้องต้องเอาแบบของพระพุทธเจ้าพระอาจารยตรัสรวกมาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็อาจจะไม่ทาเหมือนกับท่านแต่อย่างน้อยก็ให้มันมีมีมีแววแบบแบบของท่านบ้างตัวอย่างน้อยก็พยายาม อย่าไปใช้ของที่มันฟุ่มเฟือยของหรูหราของที่มีราคาแพงๆขอให้เราดูที่การใช้งานว่ามันทำหน้าที่ได้หรือไม่ถ้าของสิ่งเดียวกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันแต่ต่างที่ราคาต่างที่ความหรูหรา <S <S 1> <S 1> ก็เราไปเอาของที่มันไม่หรูหราไม่แพงดีกว่าเพราะมันจะได้ไม่มากดดัน เพราะการใช้เงินซื้อของหรูหราของแพงๆกับปัจจัยสี่มันก็จะทําให้เราต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมากขึ้นแล้วอาจจะทําให้เรานี้ต้องไปทําบาปต่อไปได้ถ้าเราหาไม่ได้พอที่เราต้องการถ้าดังนั้นถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ชีวิตของเรานี้ก็จะราบรื่นจะไม่มีปัญหาไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมอยู่ตามมีตามเกิด ได้แล้วใจจะสบายกว่านี่คือเรื่องที่พูดุทธเจ้าต้องการให้พวกเราประชาชพุทธนี้ศึกษารู้กันและนำเอาไปปฏิบัติกันคือหนึ่งให้รู้เหตุสองให้รู้ผลสให้รู้ตนสให้รู้บุคคลหให้รู้สังคมหให้รู้กาลเทศะและเจ็ดให้รู้ประมาณถ้าเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตามที่ได้เล่ามาให้ท่านได้ฟังได้ ชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวและจะนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาย่าขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกปฏิ อิชิตังปฏติต um ังตุมหังคิดเมวะสมิจชาตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาณิโชติอระโสยธาสัภิติโยวิวาชันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตรายูสุขีทีคายุโกภวะอาพ ว, พวาธนศิริสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมะวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลางัง <Okay. S 1> ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่ ส, สะดวกที่เราจะได้คุยกันเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีอย่างอื่นต้องทำเก็บข้าวเก็บของบางทีก็คนก็มาขอถ่ายรูปอะไรก็จะไม่สะดวกนะงั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้จะถามเองก็ได้นี่ค่ะ ก็เข้ามาที่ข้างหน้านี้มีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะเข้ามาเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่พะาจางค่ะ ด, ด, ดังหน่อยจ้า ค่ะเรียนพระอาจารย์ค่ะธรรมานากุด a c e b o o k พระอาจารย์4 2 2ท่านค่ะ YouTube พระสุชาติไลฟ์207ท่านค่ะ YouTube d กเตอร์วีช107ท่านวิทยุออนไลน์4คลับฮาส1 1นากุด93ท่านรวม844ท่านค่ะโอเคมีคำถามไหมใครอยากจะถามคำ ถ, ถามอะไรก็เจิญเข้ามาถามได้นะ ถ้ายังไม่มีก็ที่ทางบ้านก่อนถ้ามีใครส่งข้อความก็มาค่ะจากยูทูปพระอาจารย์สุชาตินะคะคุณเดอะมัลติฟิล์สเซอลยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ หน้าที่ของสิทธิทดีในการบูชาทิศหกทิศของครูอาจารย์คืออะไรครับในเมื่อพระธรรมก็เป็นของกลางของธรรมชาติและไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดๆขอบคุณค่ะวิชาที่ดีที่สุด<ม>การบูชาที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ปฏิบัติบูชานี่หยเป็นผู้ที่บูชาสถาคนบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติทานสิงภาวนา ทำบุญทำทานรักษาสิ่งปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นวิธีบูชาที่ถูกต้องไม่ต้องใช้ดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆเครื่องสักการะอะไรต่างๆจะใช้ก็ไม่ห้ามแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถึงใจถึงเหตุถึงผลผลที่ต้องการพระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้รับผลจากการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้ผล การใช้ดอกไม้ทูบเทียนบูชาจะไม่ได้ผลเหมือนกับที่ได้จากการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงยึงทรงเน้นเรื่องของการปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาที่ถูกต้องส่วนอามิสบูชาการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนการกราบไหว้สาวาทิตต่างๆอันนั้นเป็นส่วนย่อยไม่มีผลมาก ค่ะคำถามจากน้ากุดนะคะเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมประจำแต่มีจิตใจผูกติดในทุกเรื่องโดยไม่ปล่อยวางเมื่อเกิดความไม่พอใจจะผูกใจพูดให้เราเกิดความทุกข์เราควรจะปฏิบัติตนกับเขาอย่างไรเจ้าคะเราควรบอกเขาได้ไหมคะอย่าบอกเขาได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เข า, เขายินดีฟั ง, งหรือไม่ถ้าเราพูดแล้วเขาสายหัสายหน้ารูเถียงกลับก็แสดงว่าเขาไม่ยินดี ก็ไม่ควรที่จะพูดจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรก็เขาก็ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่นั่นเองจิตใจเขาเป็นเหมือนจิตของเด็กไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นเด็กเป็นเด็กที่มีแต่อารมณ์เป็นจิต ท, ที่มีแต่อารมณ์ก็เหมือนเด็กๆนี่จะปฏิบัติกับเด็กๆยังไงก็อยากไปถือสาเขาเขาอยากจะวิทย์วัดเขาอยากจะร้องไห้อะไรก็เรื่องของเขาไปเขาที่เขาปฏิบัติยังอยู่แค่ขั้นสติขั้นสมาธิ ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นปัญญายังไม่ได้เข้าใจหลักของความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้อันนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงเาได้แต่เวลาได้สติก็เฉพาะเวลาสวดมนต์พอไม่ได้สวดมนต์สติก็หายไปเหมือนคนบ้าคนสติแตกไป เวลามีอะไรมากระทบกับจิตใจก็กลายปเป็นเหมือนคนบ้าไปก็อย่าไปถือสาเขาให้ความเมตตาสงสารเขาไป <c oughs> คำถามจากคุณ the, the Multiversal Unity ซียคำถามที่สองนะคะแม้แต่การทำความดีมีความสุขใจผลก็เป็นเพียงชั่วคราวหายจากความสุขก็มาทุกใหม่ทำความดีไปเพื่ออะไรครับขอบคุณครับทำความดีเพื่อทำความดีที่สูงขึ้นที่ยั่งยืนต่อไปเป็นเหมือนก้าวบันไดความสุขลมต้นนั้นก็ยังเป็นความสุขเล็กน้อยอยู่จากการทาบุญทาทานอะไรต่าง เราก็ก้าวไปสู่การรักษาเสีย ม, มันก็จะมีความสุขยาวขึ้นแล้วถ้าได้เข้าไปสู่การภาวนาการปฏิบัติธรรมก็จะได้ความสุขที่ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนได้และจนถึงความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมต่อไปได้เห็นความสุขเริ่มต้นนี่มันก็อย่างแบบเดี๋ยวเดีย ว, เ, ยวเวลาทําก็มีความมีหัวใจแต่ชีวิตเรายังต้องไปเจอกับเรื่องวุ่นวายต่างๆอยู่มันก็เลยมาทําให้ความสุขใจที่ได้นั้นหายไป แต่เราก็ต้องทําให้บ่อยขึ้นทําให้มากขึ้นแล้วก็ต้องทําละเรื่องที่มาทําให้เกิดความวุ่นวายกับใจเราด้วยมันต้องทําหลายท่านหลายหลายมิติด้วยกันไม่ใช่แต่ทาแต่ความดีอย่างเดียวความชั่วก็ต้องไม่ทําด้วยค่ะคําถาม ไปจาก facebook l i ฟ e นะคะจากคุณการจนากราบเรียนถามพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมสาหรับผู้ที่เจ็บป่วยไม่สามารถนั่งสมาธิได้จะปฏิบัติได้อย่างไรบ้างเจ้าคะถ้าเขาทําสมาธิเป็นเขาก็นอนสมาธิได้แต่ถ้าเขายังไม่เคยทํานี่มันก็ลําบากเพราะเขาไม่เคยฝึกมาก่อนก็ให้เขาฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนก็ได้นอนฟังไ ป, ปก่อนทำให้เขาฟังไป ปัญหาก็คือเขาจะไม่เอาสิถ้าเขาไม่เคยฝึกไม่เคยฟังธรรมมาก่อนอยู่ดีๆจะไม่ให้ฟังธรรมมาให้ฝึกธมาี่ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้เหมือนจะถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยมันสิ่งที่ต้องซ้อมมาก่อนเพราะเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เหมือนกับนักมวยที่ขึ้นเวทีแล้วนักมวยก่อนจะขึ้นเวทีก็ต้องซ้อมชกก่อนซ้อมชกกับคู่ซ้อมชก กับกระสอบซ้ายต้องออกกำลังเสริมกำลังให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังมากๆเพื่อเวลาขึ้นไปชกบนเวทีมันจะได้ทำได้นี่ไม่ทำไม่ซ้อมเลยพอไปขึ้นเวทีก็ถูกน็อกเท่านั้นเองน็อกก็คือทุกนันเองพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกวุ่นวายใจหรือเครียดหรือซึมเศร้าแล้วแต่อันนี้เป็นผลเพราะว่าไม่เคยฝึกซ้อมมาก่อนไม่รู้ว่าตอนนีงจะต้องขึ้นเวทีวันวันหนึ่ง พวกเรามีคู่ต่อสู้รอเราอยู่นะอยู่ข้างหน้าเราเราจำต้องเคยเ ว, วทีไปเจอเขาเคยเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเจอความตายแต่เราไม่ฝึกซ้อมวิธีต่อสู้ขเขาไปก่อนอพอไปขึ้นเวทีก็ถูกเขานอ็อคคือจะต้องมีแต่ความทุกข์มีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความเครียดมีความความกลัวอะไรต่าง อาจจะทำให้ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายต่อไปได้ี่นั้นอย่าประมาทพรเจ้าบอกให้รีบทําการบ้านให้ฝึกซ้อมฝึกซ้อมสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่เราจะได้มีอาวุธต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเวลาที่เราเข้าสู่สนามรบนั่นเองค่ะคำถามถัดไปจากคุณจรัญญาราเมิดค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ โดยปกติแล้วใจเราอยู่ฟังกิเลสใช่ไหมคะเดี๋ยวเกิดความโกรธเดี๋ยวเกิดความโลภใช่ใจเรามันถูกกิเลสครอบงำ 99% นานๆจะมีธรรมะโผล่มาสักแวบเหมือนฟ้าแลบนานๆจะมีฟ้า แ, บแลบสักครั้งคิดทําบุญทันทีก็หลวันเกิดนู่นหรือวันปีใหม่นู่ น, น, น, นค่อยทําแล้วนั้นก็ไปทําตามความโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปกินให้นู่นหรือไม่นี่ ตลอดเวลา 99% นี่เป็นของกิเลสไปหมดค่เขาถามว่าโยมจึงบอกตัวเองว่าให้ตั้งหลักไว้ที่ความดีเหมือนปักเหมือนปักหมุดไว้คือทําใจให้โปรอะสบายสบาย <ti> <t> ก็ความดีมันมีหลายวิธีด้วยกันการทําใจให้สบายมันพูดง่ายแต่ทํายากพิธีอยจะทําให้ใจสบายต้องทําความดีเช่นการเสียสละแบ่งปัน มีอะไรที่เราพอจะแบ่งปันให้คนอื่นได้ก็แบ่งปันให้เขาไปคนที่เขามีน้อยกว่าเราทุกข์ยากลาบากกว่าเราช่วยเหลือเขาได้อันนี้แนะ่ละมันจะทาให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาเพียงแต่จะคิดให้มันใจว่างใจสบายมันพูดง่ายแต่มันทายากถ้าทำได้ก็เป็นพาาาระอรหันต์กันแล้วค่ะค่ะคำถามถัดไปจากคุณนรมนค่ะ ลูกสาวถามเจ้าค่ะว่าเขามีอาการกลัวตายเขาก็คิดว่าเขาประมาทอยู่เจ้าค่ะถ้าเราจะสอนเขาให้เห็นไปทางถูกต้องควรสอนอย่างไรเจ้าคะาลูกสาวอยู่ป .6 เจ้าค่ะเวลากลัวตายาให้สวดมนต์ไปให้สวนดนิบบติปิโสไปหลายๆลรอบแล้วใจก็จะหายกลัวได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายกลัวถ้ายังไม่หายกลัวก็สวดต่อไปค่ะ คำถามถัดไปจาก y o u ูทูบนะคะจากคุณประกายกลับเรียนถามปัญหาธรรมครับยกขันห้าเพื่อนพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์เลยได้หรือไม่ครับโดยไม่ต้องภาวนาพุทโธทําได้แต่คือถ้าทําได้ก็ทําไปสิกลัวจะทําไม่ได้ขันห้าก็คือร่างกายแล้วเนี่ยมันต้องตายแล้วรับมันได้เปล่าเรากลัวตายหรือเปล่าเรากาจัดความกลัวตายได้ไหรือไม่ ความกลัวตายจะหายไปแต่เมื่อเรายอมตายเรายอมตายหรื อ, อยังยอมเจ็บไายได้ป่วยหรื อ, อยังหรื อ, อยังกลัวความเจ็บไายได้ป่วยปวความตายอยู่ถ้ายังกลัวอยู่มันก็ยกขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะทําเครื่องมือก็คือเราต้องมีอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิเกิดจากการทําสมาธิและการที่จะมีสมาธิมีอุเบกขาได้ต้องมีการเจริญสติก่อน มีการควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยเปือยให้หยุดคิดให้ได้แล้วให้นั่งสมาธิให้ใจเข้าสู่ความสงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าเรามีอุเบกขาแล้วพอมาสอนใจว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมันต้องแก่เจ็บตายก็ยอมรับได้พอยอมรับได้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย ค่ะคำถามถัดไปจะคุณปยียวันค่ะขอโทษค่ะปิยวันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์อาการของผู้ที่หลงอยู่ในวิปัสสุกิเลสจะมีอาการหรือลักษณะเป็นอย่างไรคะยังไม่ได้ไปนสนใจหรอกขอให้เหรามีอาการสติให้ไม่มาก่อนเอะอาการสติยังไม่มีมันไปทางวิปัสสนาไม่ได้อยู่แล้วเราต้องมีมสติมีสมาธิก่อนเราถึงจะไปทางวิปัสสนา ดังนั้นก่อนที่เราจะไปถึงนั่นขอให้เราดูอาการการไม่มีสติก่อนว่าเป็นอย่างไรดีกว่าอาการไม่มีสติก็คือใจลอยใจคิดฟุ้งซ่านคิดเลื่อยเปยื่อยใจไม่มีหลักยึดต้องมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถึงเรียกว่ามีสติถ้ามีสติต่อไปก็จะไปทำสมาธิทำใจให้สงบได้ พอใจสงบแล้วทีนี้เขาใหไปวิปัสนาได้วิปัสนาก็าจะรู้ว่าอัไหนเป็นวิปัสนาวิปัสสนุถ้าวิปัสนามันจะต้องสงบต้องเย็นต้องสบายถ้าวิปัสสนุแล้วมันจะต้องเครียดยังทุกข์อยู่ค่ะคําถามถัดไปค่ะจากคุณวรังค่ะน้อากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าบ้านเรามีเราอยู่คนเดียวก็สามารถปฏิบัติที่บ้านได้ดีกว่าไหมเจ้าคะและถ้าเราเป็นคนอยากอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวปฏิบัติคนเดียวไม่อยากยุ่งและคล้องเกี่ยวกับใครและเรื่องของใครไม่อยากไปร่วมงานที่มีคนร่วมงานเยอะถือเป็นคนสันโดษไหมคะพระอาจารย์เป็นเป็นคนวิเวทไม่ใช่สันโดษถ้าาสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิด วิคนวิเวคคือชอบบีบวิเวคชอบอยู่คนเดียวชอบกายวิเวกกายวิเวกแล้จิตจะวิเวกกายสงบสงัดใจก็จะสงบสงัดถ้าร่างกายเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มันก็มีเรื่องมีดาวันจะทําอะไรก็ต้องมาคุยกันมาปรึกษากันมาชวนกันถ้าไม่ถูกใจกันก็อาจจะเกิดทะเลาะกันขึ้นมาอยู่คนเดียวดีกว่าไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่ต้องไปกังวลกับใครไม่ต้องไปปรึกษาใคร ไม่ต้องไปขออนุญาตกับใครเป็นอิจระเต็มร้อยค่ะคำถามคถามจะผ่านไปนะคะสาบคุณนัทนนท์ค่ะสอบถามพระอาจารย์ครับตอนนั่งสมาธิจะง่วงนอนมากบางบางทีก็ฟุ้งซ่านมากจะทำอย่างไรดีครับเพราะเราไม่ได้ฝึกสติมาก่อนนั่นเองต้องมันฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพุโทโธพุโทโธไปพอเริ่มตามขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไป อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยให้คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเท่านั้นเรื่องไม่จำเป็นจะต้องคิดก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธไปอาบน้านั่งหน้าแปลงฟันอะไรก็พุโทโธไปอย่างนี้พอมันนั่งมันจะมีสติมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่ง่วงนอนหมดแล้วเหะตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะการจะทาสมาธินี้ต้องผ่านขั้นสติก่อน ถ้าไม่มีสตินี้ทำสมาธิไม่ได้ผลจะมีแต่ความวุ่นความเกลียดความฟุ้งซ่าน เ, า เ, าเข้าม า, าส่งพ้อความนี้กระดาษค่ะค ำ, คำถามจากหน้ากุดนะคะลูกสาวเสียใจมากจนเป็นจนเป็นซึมเศร้าวันที่คุณพ่อป่วยดูแลวันที่คุณพ่อป่วยช่วยดูแลมาตลอด มีกระทบกระทั่งกันด้วยความมีกระทบกระทั่งกันด้วยจากความเหนื่อยจากการเรียนและการช่วยดูแลคุณพ่อวันสุดท้ายไม่ได้คุยกันดีๆลูกสาวเศร้าอยากตายตอนนี้รักษาโรคซึมเศร้าดีขึ้นจะช่วยให้ลูกดีขึ้นหรือหายจากความเศร้าได้อย่างไรคะก็ พ, ะพยายามดึงสติให้กลับมาให้มาก พ, พยายามให้เขาพุโทโธหรสวดมนต์บ่อยๆให้ใจเขาระงรับความคิดต่างๆ อาการซึมเศร้าเกิดจากความคิดที่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ซึมเศร้านั่นเองเราต้องหยุดความคิดต่างๆไว้ให้คิดเท่าที่จําเป็นในเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดถ้าไม่จําเป็นก็ให้สวดมนต์ไปแทนมันนับความคิดตกแต่งที่เป็นเหตุของการมีอาการซึมเศร้าต่างๆขึ้นมาหมดแล้วเหรอยังไม่มีคําถามค่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาจิตใจในการที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆภายในจิตใจถ้าขาดสติแล้วไม่สามารถที่จะทำทำให้สำเร็จได้เพราะต้องทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วก็สอนใจให้ฉลาดถ้าไม่มีสติเป็นผู้กำกับใจก็จะถูกกิเลสดึงไปให้ไปคิดในเรื่องที่ทาให้เกิดอาการซึมเศร้า เกิดาการเสียใจเกิดาการหวาดโกต่างๆขึ้นมาะนั้นตอนนี้พยายามฝึกสติให้มากๆต้องขยันสวนดีิติปิโสไปก็ได้บริกรรมพุทโธไปก็ได้ถ้าทำได้แล้วใจจะเบาใจจะเย็นขึ้นใจจะมีความสุขมากขึ้นความเศร้าหมองอะไรต่างๆก็ใช่หายไปมีไหมยังยังไม่มีค่ะค่ะ